I <laughs> should. อัลลอ ا ل ر م ا ل ح م ินน الحمد ل ل ذ ا ل ل ه من ن ا ومن ع م ل ن ا الله ف ل ل ه و ي ض ف ش ا ل ل ه ش وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَا عَصْمِهِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ و َ ل ا ف ي ا ل س م ا ء ا و ه س م ي ع ا ل ع ل ي م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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم و ر م ة ا و ب ر ا ت ه พี่น้องที่รวมนมาพรุบที่มัสยิดที่รักทั้งหลายครับแด็พี่น้องที่ติดตามทับนะครับที่อยู่ที่บ้านของท่านพี่น้องด้วยความเมตตาของ Allah ه และ มอคืนที่เรานอนหลับไปเนี่ยอัลลอให้ให้หลับนะบางคนก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับนี่คิดไม่ออกทำไงส่งยาก็จะพึ่งยานอนหลับแต่ท่านอดีสอนถ้านนอนไม่หลับเนี่ยให้อ่านดวงอาแล้วก็ให้ลุกขึ้นน้ำมาพอน้มาแล้วจะหลับละหลับทันที เป็นยาที่เป็นยาแรายงยาน้อนหลับทีทีที่สุดน้ำมาดนะั้นลรกขึ้นน้ำมาสักสองเราก็อาจกิยามุเลเเนนะี่ยนะหรือสี่เราก็อาดตามโดวยวิตเตสสามเราก็อาดหรือหกเราก็อาดหรือปแปดเราก็อาดตามโดวยวิตเตสอีกสามเราก็อาจห้มดีเลยล่น้เราต้องขอบคุณอาล a h นะที่อาล a h ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยบางคนก็ เจ็ดสิบแปดสิบมีหกสิบที่อายุเรายามาถึงวันนี้เนี่ยนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะท่านจะออกคุณร่างกายแค่ไหนก็เชิญเถอะถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้ก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลละพี่น้องบางคนอาจจะนึกว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทุกเรื่องเหรอทุกเรื่องครับท่านนาบีสอนเองอ่นะ แม้แต่เชือกรองเท้าของท่านนะที่ขาดให้เวลาจะได้เชือกมายๆนี้ให้ขออัลลอฮ์ก่อนนี่ต้องการจะสอนอะไรเราต้องการที่จะสอนให้เราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเพราะไอเราเกิดมาเน่ยมันจะเกิดมาเองน่ะอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเกิดมาบนเลกบุญญาใบนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นเป็นสิ่งอื่นๆไม่นอกจากมนุษย์เนี่ยแค่เกิดเป็นนกเนี่ย นึกภาพนะนอนอยู่ตามกิ่งไม้นะ่ะกลนคืนนะเราต้องกาวลีธ ah ah รรมดูแลลาดิอาหีนาบาดามาอามาตนาวายลายินุชูต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับพออ่านคัมอ่านเนี่ยเป็นข้อเตือนใจนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรามาทบทวนอัลกุรอานี่ปีนี้ปีที่สามสิบทุนไ้สามสิบศู์รเองนะ วันนี้มาถึงสุราอรูมอัรุมเนี่ยูดถึอเรื่องอะไรนะประเทศที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนะพอกับอเมริการัสเซียวันนี้แหละรับอิสลามรับอิสลามทั้งหมดเลยนะทางโรมโรมเปอร์เซีย ร, รับอิสลามหมดเลยแล้วก็าศาสนาอิสลา ม, มเจริญมากในะสมัยไซดีนาอุมัดรดุยละอัลฮอัน มีคนรับอิสลามประมาณหนึ่งพันกับส0สิบหัวเมืองแล้วก็ท่านสนาอุมัดเนี่ยสร้างมัสยิดอีกสี่พันแห่งในยุคของท่า น, นถ้าเป็นคอลิฟ้าเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดนี่ทุ่มเทกับงานศาสนาของอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆด้วยเนี่ยผลงานของคอลิฟ้าเรียกว่าซอฮะบะ หรืออย่างเรียกว่าชาวซาลาฟเนี่ยเขาทำงานศาสนานกันจริงจงจังๆพี่น้องสังเกตนะคนในสมัยนบีเนี่ยเขาอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวอ่านอะไรอัลกุรอานแค่เล่มเดียวเนี่ยเปิดหูเปิดสมองเปิดใจเปิดตาของเขาเป็นชาวสวรรค์มหมดเลยแล้วก็อลัลลอฮ์ชมนะกัมพีกุรอานว่างไงนะ เราดียาละอัลฮลุอัลฮูมเราดูอนันเขาอ่านหนังสือกี่เล่มเล่มเดียวอัลลอฮฺพึงพอใจปลุกพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาก็พึงพอใจในคําสั่งของอัลลอฮฺและพวกเราวันนี้นะ่ะอ่ลลานหนังสือเกือบทุกเล่มที่อยู่ในโลกใบนี้นะ่ะยกเว้นคุรานอย่างเดียวที่ไม่อา่านใช่ใช่ที่ไม่ใช่เหมาะตัวเราเองอะ่ะ เราก็ได้อ่านกุณอ่านเท่าไหรเราอ่านหนังสือพิมพ์อรอแล้วก็ยิ่ข่าวตอนนี้ข่าวการเมืองติดตามก็น่าดูเลยอ่านนุ่นอ่านนี่อ่านนี้อ่านนั้นยกเว้นกุณอ่านฉันไม่อ่านนี่คือเราจะเป็นยังไงพี่น้องฉะนั้นเราก็เชิญชวนกันให้มาอ่านอัลกุรอานนะครับมาศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานถึงแม้อักุรอานจะเป็นภาษาหรับก็เถอะ ให้เราอ่านนะครับเราก็หาความรู้เดี๋ยวนี้คุณอ่านแปลภาษาไทยแล้ะพี่น้องก็เลือกเอารักคนไหนก็อ่านคนน <laughs> ั้นวันนี้มาถึงอายาที่สี่นะครับวิญกาูมิงกับเลยยุนัสละอลิกุมมิงกับลยลมุบลิสีน وإن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبله من قبله لمبلسين الحمد لله الله คุ u อ่านนี่มาจาก Allah นะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ ا ل ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ เมื่อท่านน บ, บียังมีชีวิตอยู่สองแหล่งที่มักกะกับนครมาดีนะนี่อาย่านี้อรอต้องการจะเตือนอะไรเตือนอย่างนี้อาย่านี้ต้องการจะบอกว่ามนุษย์นี่มีแค่สองสองสองสอ ง, สองอารมณ์อารมณ์ดีใจในอายาที่ผ่านมาเลยนะอายที่ผ่านมาอายาที่สี่สิบแดเนี่ย ดีใจแล้วอาญาเนี่ยเสียใจแล้วคนกาเฟตนี่นะเราจะเตือนนะเตือนมุสลิมนะอย่าทำตัวเั็นคนกาเฟตเวลาดีใจทำอะไรไม่เป็นเวลาเสียใจก็แค่เสียใจร้องไห้ทำอะไรไม่เป็นไไป น, นั่นคือคนกาเฟตแต่คนมุมินเวลาดีใจต้องทำไงครับต้องชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุ์ะลา เวลาเสียใจก่อนม่ใ่โวยวายด่าคนนั่นทำนี้คนนี้ไม่ใช่เวลาเสียใจก่อนนึกถึง Allah อัลลอฮ์เองอ่านดู q u ร a n น, นะครับว่าอิงกานนทั้ท ง, ทงทั้งที่กานนมิงกอบลีมิงกอบลี ก, บลก่อนหน้าก่อนหน้าที่ฝนจะตกะต้ตองการจะพูดเรื่องฝนนะวันนี้นะตองการจะพูดเรื่องฝน ที่มาม่มาเมือ่อ ก, กี้ก็เรื่องฝนเหมือนกันให้ฝนตกลงมาจากฟ้าแล้วสังเกตมีผลไม้มีต้นต้นไม้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะน้ำฝนทำไมเตือนบ่อยๆให้มนุษย์ให้นึกถึงอนะัลลอ์น่ะมองดูสิ่งที่อัลลอ์สร้างมาทั้งหมดเนี่ยให้นึกถึงอัลลอถ์านึกถึงอัลลอ์นี่ได้อะไรปไหมหัวใจสงบวันนี้คนเครียดกันเนยอะแล้วก็เป็นโรคซึมอมไร เสมเศ้าวะราคาเมียตัวเองบ้างอะไรบ้างขาคนนั้นยิงก็นี้เพราะหัวใจของเขาเนี่ยรอไปหมดแล้วฉะนั้นถ้าจะกลับมาให้หัวใจดีนี่นะให้นึกถึงอัลลอสุบฮานุตฮานเยอะนึกถึงอลอฮฺทให้หัวใจสงบอยายะฮาอตลงไหนอาลาบิซิคริลฮิตาะมาอินุลกูลูบกุลูไปหัวใจจงอัลลาบุาจงรู้ไปเถิด โดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทําให้หัวใจของท่านตัดมาอินแบะวะบว่าสงบเมื่อเจ้าของผู้สร้างเรามาเล่าให้เราฟังเนี่ยจะไม่เชื่อเลย <c oughs> ดังนั้นเดินตามคําสั่งของอัลลอฮ์เดินตามพีท่านนาบีปฏิบัติและบรรดาซอาบาลนาบีเขามีความสงบมาหมดเลยเพ่อเขาเอาคุาณอ่านเดินตามคุณอ่านกันหมดเลยครับว่าอิงกาโนมิงกอบลีและทั้งทังที่ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นนอะ คือก่อนที่จะกอบละไอยุนซาลาไลหิมนาซาลาแปลว่าถูกให้ตกลงมามิงกอบลิซิก่อนที่ฝนจะตกแล้มุบลิซีนพวกนี้เป็นไงครับพวกเขาเนี่ยหมดหวังเราคิดอะไรไม่ออกท้อแท้หัวใจเวลาฝนไม่ตกร้อนหนักๆเข้าแผ่นดินแห้งแล้งตนมาจะตายแล้วในสวน อย่างคนเช้านาเนี่ยเอาลอถ้าฝนไม่ตกในเช้านานี่แย่นะเพราะเราผ่านอาชีพนี้มาแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ได้นึกถึงชาวสวนชาวไร่ชาวน า, นาเท่าไรแล้วครับแต่ฝนมีความสำคัญถ้าฝนไม่ตกนานๆข้าเนะียเราเครียดนะพอเครียดแล้วก็ท้อแท้หัวใจคิดอะไรไม่เป็นสมัยก่อนเนี่ยเขามีขอฝนด้วยทำอะไรนะนางแหอะไรนะ แหนางแมวนั่นน่ะ น, นบีสอนหรือเปล่าไม่ได้สอนแหนางแมววิธีการขอให้ฝนตกแหนางแมวนบีไม่ได้สอนสิ่งที่นบีสอนสอนยังไงหรือเปล่าเวลาท้อแทยย้ใจฝนไม่ตกให้นึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการทําการนามาเรียกว่านามาแต่ไรอิสติสนี่ภาษาของนบีนามาขอฝนอัลลอฮฺอักบะรแทห็นยังครับ ให้เป็นนมาขอฝนแต่พวกเร า, มาไม่เคยทำเท่าไรนะครับนะเพราะเราไม่ได้ผูกพันกับลอเท่าไหรนะฉะนั้นนมาขอฝนนี่วิธีที่ท่านนาบีสอน<ม>แห่นางแมวเนี่ยของนบีหรือเปล่าไม่ใช่ของนบีเอาเวลาไปทําหองหองแห่นางแมวมานยเหนื่อยเหน่ยได้เหนื่อยเหนื่อยนมาดก็เหนื่อ ย, อ ย, อ ย, ย, อยแล้วก็ทําอะไรที่ได้ผลบุญตอบแทนจากอลัลลอฮ์นมาดเลคนนมาดกันเป็นร้อยๆ้อคนพันพนคน ในสมัยนบีมูซามีอยู่ครั้งหนึ่งฝนไม่ตกในสมัยนบีมูซาฝนฝนไม่ตกประชาชนก็มาต่อว่าโมมาอัลมูซาช่วยขอทูอา้าต่ออลัลลอฮ์สิให้ฝนตกลงมาหน่อยนบีก็ขอทูอ้าต่ออลัลลอฮ์ฝนไม่ตกอลัลลอฮ์ก็ส่งยิบรียนมาบอกว่าเชิญคนมามันน้ำมาดพร้อมๆกัน พีมูซาก็เชิญประกาศให้ประชาชนมากคนเยอะมาไปเป็นหมื่นๆคนมันม น, นนะ้มนำมาอาจารย์น้นำมาแล้วขอดูอาแล้วฝนไม่ตกพี่มูซาย า, าลอทาไมฝนไม่ตกเนะี่ขอดูอาตามที่ออร์ลอสั่งแล้วนะยิบรีนก็ลงมาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนนั้นแหละที่มากันหลายพันเป็นหมืนม่นๆคนนะ่ะมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนเลวตะบ้าตัวก่อน แล้วก็ใครจะใ ห, ใ, หให้ให้ให้ให้คนนี้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นออกไปอ่ะมันจะพูดตรงตาบ้า น, นะพูดว่าให้ลุกขึ้นออกไปไอ้คนที่มาอยู่อยู่คนหนึ่งที่คนนี้เป็นคนเลวเนี่ยไม่เคยกลับเมื่อกลับตัวเป็นคนดีเลยเป็นคนชั่วมาตลอดให้อาคนนี้เดินออกไปก่อนอับวุลมาก็ประกาศเอาใครที่เลวเนะลุกขึ้นเดินออกไปแต่ใครมันจะขึ้นไม่มีใครกล้าขึ้นนะมันเสียหน้า ก็บอกก็อ้าวทำเงินขึ้นก็ก็ทําสัญญาไม่ให้รอดพอใจคุณเรแยงอย่างนั้บ น, น, นบง่ง Allah, วางเอาละเราก็รอดง่ายาเสียใจพอเสียใจเสร็จแล้วก็ฝนก็ตกคุณฐานนบีโมูซาอีกตกได้ยังไงในเมื่อคนเลวคนนะั้นมันยังไม่เดินออกนูซาก็บอกว่าเขาเต่าเบาตัวแล้วเห็นยังครับเนี่ยเขาเต่าเบาตัวแล้วสารภาพผิดต่ออลรอแล้ว อลัลลอฮ์เลยเมตตาให้ฝนตกลงมานั่นสมัยเมื่อสามสี่พันปีที่แล้วในะสมัยน บ, บีมูซาาและกิสลาดนี่เป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราวันนี้ถ้าต้องการจะให้โลกใบนี้มีความสงบนะอยู่ที่เราหมดเลยนะไม่ได้อยู่ที่แม่ม่ ไ, มไอยู่ที่เป็ดไม่ได้อยู่ที่ไก่นะมันอยู่ที่มนุษย์ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่หันกลับมาหาอัลลอฮ์ไม่หันกลับมห า, าม ห, บมหาศาสนาของอลัลลอฮ์ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่อลัลลอฮ์สร้างมากับ คู่กับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินอิสลามเนี่เาเรียกว่าเฟตร์ตุลลอออัลเลตีฟอตรอร์น่าซาลฮา์อิสลามเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาคู่กับโลกใบนี้และอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในาศาสนานี้ถ้าเรายังไม่ได้กลับไปอยู่ในาศาสนานี้นะปัญหาก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ถามว่าคนมุสลิมจนะเข้าใจแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจปะ ขมอเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติใครเป็นเจ้าของธรรมชาติอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตคุรานตรงไหนครับฟิตรัตุลลอห์ธรรมฟิตรัตุละธรรมชาติใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยพอเราอ่านคุรานหูตาเมันก็สว่างโอ้เรานี่อยู่บนโลกด้ยเพราะอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์มากที่สุดให้เกียรติมนุษย์มากที่สุด ว่าเองแกหนูมิงกอบบลีทำทั้งที่ยวเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ฝนจะตกลงมาบนพวกเขานั่นลาโมบลีซีนพวกเขาเป็นไงครับท้อแท้หมดหวังไม่มีกําลังใจแล้วก็คิดอะไรม่ออกด้วยว่าฝนไม่ตกลงมาทแท้ท้ อ, อแท้แล้วใช่ไหมทีนี้พูดเรื่องน้ําฝนน้ <c oughs> นําฝนที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยมมุมินมุสลิมเนี่ย ได้ข้อคิดเยอะแต่คนที่ไม่อ่านคนอ่านเนี่ยข้อคิดไม่ออกครับพระอ่านเป็นภาษาอุน ด, ดูนะ mm. ก็บอกว่าฝนตกน้ําฝนหยดเดียวเนี่ยนะให้อะไรฝนหยดหนึ่งนี่จากตับซีดอิบนุกาซีตับซีดมาวัดดีสองสมเล่มเนี่ยนะเขบอกว่าฝนหยดหนึ่งเนี่ยถ้าตกลงมาบนแผ่นดินน้ําฝนหยดนี้สามารถให้ต้นไม้งอกได้ นี่เป็นความสามารถของใครของอัาาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2น้ําฝนหยดหนึ่งถ้าตกลงไปในปากหอยแล้วหอยนี่มันจะจมไปในท้องทะเลเนี่ยพอออกมาเป็นไข่มุกทำได้เลยนะนี่ความสามารถของใครของอัาาลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى น้ําฝนหยดหนึ่งถ้าตกลงไปในในตัวหมอนมันจะออกมาเป็นอะไร เป็นเป็นไหมเป็นเส้นไหมใครทำได้แล้วทำได้เลยละน้ำหยดหนึ่งถ้าเข้าไปในปากงูพอออกมาเป็นอะไรเป็นพิษตัดคนตายนี่ความสามารถของอัลลอฮน้ำหยดหนึ่งถ้าตกลงไปในปากกวางพอออกมาเป็นชมดเชียงกลิ่นหอมให้อย่าง นี่คือความสามารถของอัลลอฮ์สุภานะขวตจ้าลยถ้าหากว่าน้ําหยดหนึ่งตกไปในปากพึ่งพอออกมาเป็นอะไรเป็นน้ําพึ่งอัลลอฮ์อัลกุรอฮ์ทำอยู่เลยละทั้งหมดแล่านี้เป็นความสามารถของอัลลอฮ์พูดเรื่องน้ําอย่างเดียวฉะนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยก็คือคนที่อ่านคุรอานพออ่านกุรอานก็ได้ข้อคิดอัลลอฮ์ชีน้นานะให้ดูมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยคุณจะลืมอัลลอฮ์ได้อย่างไรพูดใหม่ น้ำหยดหนึ่งถ้าตกลงไปในปากหอยออกมาเป็นอะไรไข่มุกน้ำหยดหนึ่งตกลงไปในปากกวางออกมาเป็นอะไรเป็นสมุดเชียงน้ำหยดหนึ่งตกไปในปากในปากพึ่งออกมาเป็นน้ำพึ่งอลล๋อประโยชน์กับมนุษย์กับมนุษย์หมดเลยเนะ่ยแต่คนที่คิดแบบนี้มีกี่คนอนะ่ะฉะนั้นถ้าอ่านคุณอ่านจะได้ข้อคิดอล๋อพึ่งอล๋อก็สร้างมา มดก็สร้างมาไอ้นนก็สร้างมานี่เป็นมรรคโรเป็นนิอหมัดที่อัลลอประทานให้กับมนุษย์และทั้งหมดีนเป็นยารักษาโรคหมดเลยเอาน้ำผึ้งกินแล้วเป็นไงอัลลอฮฺอักบารต้นไซตูนเป็นยังไงน้ำมันมากอกทำได้เลยละนี่เป็นความสามารถของอัลลอ์ต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยที่อัลลอ์สร้างมาได้นึกถึงอัลลอ์เยอะๆด้เลยละอัลฮัมดุลิลละเอาอายะที่เท่าไหร่เนี่ย จากที่ห้าสิฟังดูอิลา الله كيف يحيي ا ل ر ض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير الحمد لله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لا محي ي الموتى وهو على كل شيء قدير الحمد لله อยายะนี้เป็นว่งกับอัลลอฮนะ์เตือนนเตือนนบีบอกกับนบีเพราะพุอ่อานเนี่ยอัลลอฮ์ประธาห้กับนบีมูฮัมหมัดคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะแล้วก็พวกเราที่อ่านกณอ่านวันนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างดูสัพท์ก่อนนะอุนซุตแปว่าจงมอง จงพิจารณาอุนรุษเนี่แปลว่าจงมองจงพิจารณาบอกกับนบีมุฮัมมัดนาคนอ่านกุรานาฟังรุษจงพิจารณาจงตึกตรองจงใช้สมองอิลาไปยังอิลาแปลว่ายังอาซาแปลว่าร่องรอยอาซาแปลว่าร่องรอยมันมีร่องรอยที่มีบราระกัดร่องรอยสูญยุด มาจากสูญุดนมาตววววุวันทุวันทุวันวันลหาเวลาอัลลอฮฺให้อาซาที่ไหนที่หน้าผากใบหน้ารัศมีผลจากนมาตนั่นนะอัลลอฮฺบอกว่าใบหน้าที่รัศมีคุณเนี่ยมีใบหน้าบนโลกดุนยาตายไปแล้วอยู่ในกูบโบร่รอยสูญุดของคุณปกป้องอาซาบนกูบโบ่ได้ด้วยฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะ นั่นแหะเป็นร่องรอยของการอาบน้านำมา ร, ร่องรอยของการนมาดเป็นอีมานข้อนึงเป็นรัศมีพาคุณนําหน้าคุณแล้วก็เดินข้างๆคุณด้วยอซาดรอฮมาเป็นความเมตตาแปลว่าร่องรอยรอฮมาแปลว่าอะไรเมตตาอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดเอ๋ยคนอ่านคุณอ่านเอ๋ยจงพิจารณาดูร่องรอยของความเมตตาของอัลลอฮ์ ในตับเสดบล์บอวีต้องอ่านนั้งหลายๆเล่ม น, นะบล์บอวี e อธิบายบอกว่าให้ดูร่องรอยของความเมตตาของอโลมีอะไรบ้างหนึ่งให้ดูต้นไม้นี่ร่องรอยความเมตตาที่อโลให้กับน้ำฝนนะ่ะให้ผ่านน้ำฝนมามีต้นไม้งอกสองมีผ ล, ลไม้งอก มีต้นไม้ใบหญ้าอีกหลายชนิดอยู่บนเรือ ม, มาจนาน้ําฝนหมดเลยนี่ร่องรอยของความเมตตาอาซาลิรามาแปลว่าน้ําฝนก็ได้ความเมตตาคือน้ําฝนอาซาดแปลว่าร่องรอยของน้ําฝนที่อัลลอฮฺประทานให้กับพว ก, พ, วกพวกมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากฝนตกมีต้นไม้งอกขึ้นมามีผ ล, ลไม้งอกมีต้นไทรทูนงอกมีต้นมะขามงอก มีตนนั้นตนนี้เต็มไปหมดนี่เป็นร่องรอยของความเมตตาของอัลลอ์ให้พิจารณานี่สังให้เราดูให้ดูนะเห็นยังนะมมนาบุลฮะซันบอกว่ามุสลิมเนี่ยที่เก่งที่ดีมีไม่ ม, มีแต่หลายคนนี่นะเดินผ่านอาซาดของอัลลอ์ทุกวันแต่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะบุหะเดินผ่านทุกวันนี่น ะ, ะเดินผ่านกูโบเดินผ่านต้นไม้ เดินผ่านตนตนนั้นตนนี้ตนนี้ตนนั้นไม่เคยคิดใช้ปัญญากับตัวเองเลยเอาขาทุนด้รู้ักกำไรขาทุนเห็ไหมฉะนั้นฟังรูรอัลลอ์สัง่งม uh นะุฮัมมัดนะนบีมุฮัมมัดเอ๋ยแล้วคนที่อ่านกูอ่านนะจงพิจารณาจงมองมองตอนหนก่อนตายนี่แหละถ้าหลังตายมองมองออกเป่าล่ะ นี่ตอนเป็นๆ น, นี่อะไรพี่น้องไปไหนมาไหนให้พิจารณาดูยิ่งเดินทางเนี่ยเดินทางเนี่ยพี่น้องจะออกเดลวานะ่ะไปเดินทางกันไปใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมนะมองคนนะมองอะไรหนึ่งเขาพูดภาษาอะไรนิสัยเขาเป็นยังไงอักษราก็เป็นแบบไหนผิวก็เป็นยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไง แล้วก็ร่องรอตรงนี้เคยถูกลงโทษอาดามีไหมต้องนึกนะอะอายุกับคนเนี่ยพอคุยกับคนก็รู้เลยโอโ้คนนี้ผูจาดีนะเราได้ยินภาษาเราเราอิหมา่าเราเพิ่มไปพูดกับอีกคนนึงโอ้โหมันด่าเราแรงเลยมันก็ต้องต้องได้ข้อคิดอนะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนบนโลกดุนยาไปนี้อัลลอตสามจงมองจงพิ จ, จารณาจงใช้ปัญญายายุแบบคนกาแฟ ไปเป็นเนียดไปทมศีนาที่ห้องกงมไปทำไมล่ะแล้วน่ะออกจากบ้านเนียดยังเรียกไปเผยแร่อิสลามต้องการที่จะเชิญคนให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาลาครับฟังรูรอีลาสาริรหามติละดังนั้นมูฮัมมัดนะนบีขอมัดนะจงดูเถิดอาซาดไปว่าร่องรอยหรือผลสะท้อน แห่งความเมตตาของอัลลอ์ว่าก айف ย, ยุยิลอรดออร์ดแปลว่าแผ่นดินยุฮิลแปลว่าให้มีชีวิตชีวาจงดูซิว่าอัลลอ์เนี่ยให้แผ่นดินบ้าดมาติฮาหลังจากที่มันแห้งแล้งหลังจากที่มันตายเนี่ยพอฝนตกลงมาทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวา รู้ยังไงว่ามีชีวิตชีวาก็ต้นไม้ขึ้นไงนั่นแหละเป็นสัญญาณบอกว่าแผ่นดินนี้มีชีวิตชีวามีต้นไม้ง อ, อกมาแล้วก็มีต้นนูน้นต้นนี้มีผ ล, ลไม้ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นอาศาตว่าอัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งเมื่อถูกน้าฝนให้มันมีชีวิตชีว่าอย่างไรเราต้องพิจารณาแล้วก็เป็นการเตือนด้วยนะอินดาิกที่เป็นเช่นนี้นะ ละมุฮัยลม์มาต่อัลลอฮฺเป็นผู้ทําให้คนที่ตายอยู่ในกูโบเนี่ยฟื้นขึ้นในวันตี ย, ย่ามั้ยกันยังให้เรานึกต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่ในบนแผ่นดินเนี่ยให้นึกถึงเราว่าเราตายเนี่ยอยู่ในกูโบเนี่ยตายแล้วตายเลยไหมแต่คนกาเฟ่ตว่าตายแล้วตายเลยไม่ฟื้น แต่เราถูกสอนจากอัลกุรอานว่าอาลัลลอฮ์จะให้คนที่ตายอยู่ในกุโบ้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเ อ, งเอาถามท่านพี่น้องมนุษย์นี่เกิดกี่ครั้งแล้วก็ตายกี่ครั้งบางคนยังตอบไม่ได้มีนะมนุษย์นี่เกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งนี่มันข้านความรู้สึกของคนหมดเลยนะ อรวันสร้างมนุษย์ขึ้นมานตายสองครั้งแล้วก็เกิดสอครั้ง <c oughs> เรานี่นะขณะนี้เกิดครั้งแรกก่อนหน้านี้ตายแล้วเขาเรียกว่าตอนอยู่ในโลกแห่งวิญญาณ เ, าเรียกว่าอารมวานั่นคือตายครับวันนี้เอาวิญญาณมาอยู่ในตัวเรานี่เกิดครั้งครั้งแรกเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปอินนารินลามาใช่ไหมอรวเราตายนี่ตายครั้งที่สองนะ แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปแล้วยุ่ยิ้มเมาแต่ Allah จะให้คนที่ตายนาะฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้พิสูจน์อหม م านก็แล้วว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อคนไม่เชื่อนีย่ยอะแต่คนที่เป็นมุสลิมก็ถูกสอนว่าต้องเชื่อตามที่ Allah ออสั่ถ้าไม่เชื่อก็ดูต้นไม้ที่แห้งแหงแหล้งนะมาก่อนแผ่นดินตรงนี้แห้งแล้งใช่ไหมแต่กระแหงอ่ะพอฝนตกลงมาต้นไม้มันขึ้นได้ยังไงทําไมไม่ใช้ปัญญา Allah ก็ชี้น้ำอีก และมัหยิลเมาตาที่เป็นเช่นนี้คนที่ตายอยู่ในกูบูทั้งโลกนี่นะจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามอัลลอ์จะให้ฟื้นขึ้นมาหมดเลยอีกครั้งหนึ่งฟื้นมาทำไมมีทุกขมาชัดมีนรกมีสวรรค์อโลพี่น้องแค่ศึกษาเรื่องชีวิตหลังตายพี่น้องพูดเป็นเดือนกันไม่จบห้ามดลมาดูกุรานฟังร จงพิจารณาอิลาอาซาลิรฮมติลลาจงดูเถิดนะร่องรอยหรือผลสะท้อนแห่งความเมตตาของอัลลอ์ว่าไกฟัยยิลอารบะบาดามอติฮาอัลลอ์เนี่ยทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งอย่างไร ให้ใช้ปัญญาดูต้นไม้ฝนตกลงมาต้นไม้ขึ้นใครทําได้นี่คือความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลออินนาลิกาแท้จริงเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะที่คุณดูตัวอย่างเป็นแบบนี้นะละมฮัยยมาตรวมถึงคุณด้วยคุณตายอยู่ในกุโบวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้คุณฟื้นขึ้นมาจากสุาสาน นี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับต่อมาครับหัวว่าดาคุลีใช่อิงกอดีหวัวมาถึงอัลลอฮอาลาแปลว่าบนกุลีแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช้อินแปลว่าทุกสิ่งนะกอดีมีความสามารถอัลลอฮมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคอนโทรลควบคุมแต่เพียงผู้ดเดียวในโลกใบ น, นี้อัลลอฮฺอักบัอัลฮัมดุลิลลาน คิดถึงอลัลลอฮ์เยอะๆนี่นบีสอนต่อไปอีกนะในตับทสิอธิบายบอกว่าตอนฝนจะตกเนี่ยลมมันจะมาให้นึกนะไอ้ลมนี่นะนี่เป็นญาติมัตนะคุณจะมองข้ามไม่ได้นะนี่สอนมุสมินนะนบีมาสอนมาอธิบายต่อว่าก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยลมเย็นๆจะมานี่เป็นญายิมัตคุณต้องคิดไม่ใช่ เย็นจังเลยอัลฮัมดุลิลละก็ว่าไม่เป็นอัลลอฮเย็นจังเลยว่าไงครับอัลฮัมดุลิลละบอกลูกตงนี้ลูกเนี่ยล้มเนี่ยอัลลอฮให้มานะ่ะก่อนฝนตกนี่เป็นเนี้อมาดมองข้ามไม่ได้แล้วก็ถ้าลมมันมาแรงทำไงครับโวยวายเฮ้ยเยยเเอาไงล่ะ บางคนทำไม่เป็นใช่ไหมเอามีดเสียบข้างฝาสมัยก่อนนะจ๊นะมาเอามีดเสียบข้างฝากันลมคลายสอนให้ขอดูอาขอว่าไงอัลลอฮุมะเย็นีอออุบิกามินชาลีอัลลอฮุมีนีอออุบิกามินไคลริฮวะว่าไคริมาอุศลัดบีฮีแะอออุบิกามินชาลีฮวะว่าชาลีมาอุศลัดบเมื่อลมพายุมาแรงๆให้ขอดูอาบทนี้ อัลลอฮ์จ๋าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์นะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้ได้ลมดีๆที่พัดมาอย่าแรงขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้อัลลอ์ได้เอาลมร้ายๆนี่ออกไปจากตัวต้องขอร้องอัลลอ์ให้นึกถึงอัลลอฮ์ตอนนั้นตอนนั้นก็ต้องท่องลวท่องดูอาแล้วดูอาฝนตกทำยังไงดูอาลมแรงพันยังไง ฝนไม่ตกขอดูอาอย่างนั้นต้องขอดูอาไม่ใช่ขอดูอาแค่นอนอย่างเดียว น, นะบิสมิลลาฮิรระหมาอะมิญะตะวายันผนึ่งตามากัละทำดุลร็วแล้แค่นี้พอไหมไม่พอครับมันก็ต้องศึกษาไปตลอดจนกว่าจะตายทีนี้ถ้าฝนตกเยอะๆกลัวไหมอ่ะกลัวน้ำท่วมใช่ไหมล่ะอัลลอมะ์มตั Allah มนผน่งตะลแ่ไมไม่อัมัอาลอดนกว่าะนาอะลไอ่ะลันใช่ไหม Allah um na, al Allah ะอัลลอฮะฮ์โมตะวายันผน่งตามกะละทยเรนะ็วแล้วแค่นีอื่น เมื่อก่อนเนี่ยผมพูดว่าให้ไปตกแต่น้จอพูดนังจ อ, ก, อ, งจอก็ะทู้สามมดาทีเอ๊นังจอก็ไม่ตงการนาตงการจะอธิบายง่ายๆไม่ได้เราจพูดผิดนิดนึงนะคนก็นตำหนินะอัลลอฮุมะฮาวาไลนาอัลลอ์จะอย่าให้ตกที่เราประตกที่อื่นวาลาไลนาะให้ตกที่อื่นอย่าตกถ้ามธรรมมาตกการฝนไม่ใช่ดาหรไม่ใช่ตำหนิคนนั่นตำหนิคนนี้ เนี่ยหัวใจเราต้องโยงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลเลาะอัลลอฮอะลัทําไมต้องอัลลอ์ได้เตือนอยู่เพราะว่านิสัยของมนุษย์เป็นอย่างงี้หัวใจนี่มันชอบลืมอัลลอ์ชอบลืมอัลลอ์หัวใจมนุษย์นี่นะมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยไม่คยไม่ไมนึกถึงอัลลอฮ์ตลอเท่าไหร่หรอกนะครับลืมอัลลอ์ตลอดเวลานะ เอาต่อมาครับอายาที่ห้าสิบอ็ดว่าอินอร์ซาลนาห์ฟะรอาอูห์มุสฟัร์ร่ละจัลลูมิมบัตดีฮิยัฟฟุรุนวลาอินอรซาลนาห์ฟะร้อูหมุสฟัรร ละ ظل من بعده يكفرون الحمد لله ولا อินอ่าลอินแปลว่าถ้าหาก if นะอัลสลนะเราได้ทรงถ้าเราได้ทรงอะไรครับรีฮันแปลว่าลม มันมีศัพท์อยู่สองคำนะเรียะแปลว่าลมลมแรงแรงลมที่ทำอันตรายลมบาละลมอาสาและอีกคำหนึ่งอะ น, น, น, นะที่ผ่านมาแล้วนะ่ะเรียะเป็นปางอุพฤถ้าเรียะแปบลบว่าลมเหมือนกันแต่ลมดีดีลมเย็นเย็นลมไม่มีอันตรายลมนี้มาทุกคนแฮปปี้หมดเลยดีใจหมด แต่ถ้ารียคำเดียวในแปลว่าลมแรงๆลมอันตรายลมอาซาบแบบที่อัลลอฮ์ส่งมาทำลายพวกอาสมุตในอดีตที่อัลลอ์ส่งนบีมาสอนศาสนาเขาเขาแอนตี้เขาไม่เอาศาสนาอัลลอ์ทำลายพวกอาสมุตหมดแล้วทีนี้อัลลอ์เล่าให้นบีฟังเล่าให้พวกเราที่อ่านกุณอ่านฟังวาลอินอารลอฮ์นารีฮันถ้าหากอัลลอฮ์จะเล่นงานอีกครั้งหนึ่งนะ โดยส่งลมแรงๆมาทําลายทําลายอะไรรู้ทําลายพืชผลธัญญาหารที่เราปลูกปูกเอาไว้การทุ่งกลารนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่คุณคิดอะไรออกอะ่ะ <c> เ <oughs> มื่ออารอทําลายนะคุณคิดออกไหมลนะ่ะเอาล้อเล่าให้ฟังนะคนคิดได้แค่นี้แหละฟารอเอาเขาเห็นหลังจากพายุมาแล้วทําลายแล้วใช่ไหม เขาเห็นอะไรรู้ไมมมุสฟารอนเป็นสีเหลืองมุสฟาร์บ่าวสีเหลืองเป็นสีเหลืองตงัวล่าว่าเมื่ออัลลอฮ์ส่งลมพายุมาทําลายสวนคุณทําลายต้นไม้คุณทําลายทุ่งหญ้าคุณทำลายอะไรก็ตามแต่ทําลายหมดคุณเห็นอย่างเดียวสีเหลืองนี่ต้องการจะด่าด้วยจะชมด่าครับ เห็นแค่สีเหลืองอย่างเดียวเรอคิดอะไรไม่ออกเลยเลยเนี่ยเห็นแค่สีเหลืองเนี่ยเลาแสดงว่าเองนี่มีตาไม่ได้มองมีหัวใจไม่ได้ใช้ปัญญามีสมองไม่ได้คิดอะไรเลยเลยเนี่ยนี่สอนให้คิดนะถ้าเห็นเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวหลังจากลมพายุมาแล้วนะเรจะด่าคุณคุณนี่โง่มากเลยอ่ะมากจริงจริเนี่ย ทรงพายุมาทำลายแล้วเนี่ยเห็นแค่ต้นไม้ตายเป็นสีเหลืองแค่นี้แหละต่อมาครับฟะซัลลูมิมบะดีฮิอัครุลุนแลวพวกเขาเป็นไงรู้ไหมพวกเขาเป็นไงรัเมั้าเออพวกเขาเนี่ยหลังจากนั้นเลยนะ เขากลายเป็นคนที่นเนรคุณแค่เห็นต้นไม้เป็นสีเหลืองอย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกคุณก็เนรคุณต่อเลาะออกคุณคิดได้แค่นี้เนหะรอการอธิบายอย่างนี้ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อย่างเราป่วยเนี่ยนะไอ้ป่วยก็ส่งลมพายุมาให้กับต้นไม้ที่เราปลูกพังหมดเลยนะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกระเราป่วยนี่แหละ นบีพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อก่อนนี่แข็งแรงนะเดินออกกำลังกายที่อะไรนะส่วนหลวงรอรอรอก้าวเนี่ยออกกำลังกายแข็งแรงพอ Allah ให้ป่วยเนี่ยพอหายป่วยอ๋อไหนดีเลยคุณคิดแต่แค่นี้เห็นตัวเหลืองใช่ไหมอ่ะมันก็ต้นไม้เหลืองใช่ไหมเห็นตัวเหลืองโอ้ไม่สบายคิดแต่แค่เนี้คิด้อะไ้ออกกันแล้วนะฉะนั้น เราสอนนักเรียนกุฎีที่ฉันให้คุณป่วยต้องการจะให้คุณสํานึกและน บ, บีผู้ต่อว่าถ้าคุณไม่สํานึกคุณไม่ต่างอะไรกับแพะที่คุณเลี้ยงนั่นแหละเราเลี้ยงแพะใช่ไหมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยที่เราปล่อยไปกินหญ้าแล้วเข้าไปในสวนคนนั้นแล้วถูกด่ากลับมาใช่ไหมผมนี่ยอผมนะ่ยเลี้ยงแพะแต่เราก็ไปช่วยนะ เรแพะเราน่ยมันมันซนอ่ะมันเข้าไปกินบ้านบ้านบ้า น, านเตยา่าอยู่บ้านใกล้ๆบ้านในเพชรตะระสายเกอยู่ใกล้ๆกันเขาก็ดาราไม่ดูแพะได้ข้อคิดอะไรบ้าก็ถูกดามายังมยังมาสมนึกด้วยอะไรนี่ <laughs> ฉะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันจะเป็นไครก็ตามถ้าป่วยแล้วไม่ได้ข้อคิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ต่างอะไรกับแพะที่เราเนี้ย เราเาแพะมามาล่ามทําไมอ่ะไปถามแพะแพะมารู้ไหมไม่รู้แต่ถามคนคนไปเลี้ยงแพะ ร, รู้ไหมเออมันแพะเนี่ยมันโซนอ่ะมันไปกินบ้านหญ้าของคนอื่นเขาต้องจับมันมาล่ามเอาไว้เมืที่ล่ามสามวันสี่วันเอาหาญ้าให้มันกินอ่ะไปถามแพะว่าถูกล่ามทําไมมันไม่รู้ฉะนั้นเราถ้าไม่ใช้ปัญญามุสลิมไม่ใช้ปัญญาหรือคนกาเฟสไม่ใช้ปัญญาอัลลอฮ์ตําหนิคุณทําตัวเหมือนแพะ แสบแล้วมันเนี่ยนี่เระาระลาเตือนนะท่านกุราอานนี่เป็นข้อเตือนใจสําหรับคนที่อ่านกุราอานให้นบีมาเตือนใจเตือนใจนบีตลอดเวลาให้นบีมาสอนให้สอนคนมุสลิมให้สํานึกอยู่ตลอดเวลาเอาอ่นใหม่นะครับวาเลอินอารซัลนาแต่ถ้าอัลลอฮ์ถ้าเราเนี่ยนะได้ส่งลมพายุมาทําลายและ เขาได้เห็นพืชผลหลังจากที่ถูกทำลายแล้วนี่นะแห้งหรือว่าเหี่ยวแห้งเป็นสีเหลืองแน่นอนหลังจากนั้นการทดสอบควาอัลลอ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นผู้เนรคุณไม่ได้ขอประคุณอัลลอ์เลยสอนดีไหมมีอยู่คนไทยีเนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ยที่อาซาต ตัวสุโอวันธรรมดาลปล่วยใช่ไหมเกือบตายนะแล้วอลัลลอฮ์ให้หายกลับตัวแล้วมันตรงอย่างนี้ครับต้องกลับเนื้อกับตัวอลัลลอฮ์ให้มีปัญหาเกิดขึ้นต้องกลับเนื้อกลับตัวไม่ใช่ดันทรุรังทรยยุทรยศอัลลอฮ์ยังขาดนมานเหมือนเดิมอยูอย่อีกตัวสุโบรีตัวสูบ บ, ร, ร, บ, บรีมันกระเทือหลายคนนะอัลลอฮ์บอลเลทให้หมดนะ พออัลลอฮ์สร้างละมานสะอาดบริสุทธิ์ตอนกลับต้องการให้สะอาดเหมือนถูตอนสร้างมาใหม่ๆต้องสะอาดบริสุทธิ์ต้องมี Allah, อมัลลอฮ์ต้องมีอิสลามต้องมียาตีนต้องมีเอซานมีเอคลาสมีสุนนะนบีองมีลูกหลานเอาไว้ขออาให้เราได้หลังจากตายด้วยด้วยอ่ะทีนี้อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์นี่นะให้มีปัญหาเกิดขึ้นในตั้งสี่อธิบายไว้9รายการ88รายการข้อที่หนึ่งให้แห้งแล้งแล้วก็คิดอะไรแบบ สองให้แก่ให้เกิดแผ่นดินไหวได้ขวาคิดอะไรบ้างมีคนถามท่านหญิงอาชาภรรยานาบีสมัยหนึ่งพันรปีนะแผ่นดินมันไหวมาตลอดนั่นแหละถามท่านหญิงอาชาว่าท่านอยู่กับนบีนบีเคยพูดอะไรไหมว่าแผ่นดินไหวนี่เพราะอะไรนางตอบว่ามีอยู่สองสองอย่างกินเหล้ากับทำซีนาเพราะมนุษย์เนี่ยกินเหล้ากันเยอะอกับทำซีนาเล็ก ต้องเกิดแผ่นดินไหวสำนึกตัวหรือเปล่าละ่ะคนกินเหล้าอ่ะกับทำดีนาเนี่ยแต่คนอ่านคนอ่านี่ได้ถ้าคนทากคนอ่านไม่กล้าทำดีนาไม่กล้าไปกินของเมือนเมาอ่ะตอนนี้ของมือนเมาระบาดมาถึงสังคมบุสลีมใช่ไหมละ่ะนำท่อมไร้สารอะไรกับาหารไปนะเนี่ยเป็นอเตือนใจทั้งหมดฉะนั้นแผ่นดินไหวแห้งแล้งโรคระบาดได้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วก็สงครามกลารเมือง เสื้อเขียวเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรก็ตามแต่พี่น้องที่ฆ่ากันใน ท, ท, ทั่วโลกนี้มันมาจากอะไรครับคนลืมเอาล้อต่อมาครับโรคซึมเศร้าตัวใครตัวมันนะ่ะมีปัญหาหมดเลยเพราะอะไรครับก็เราลืมเอาล่อเมื่อเอาล่อเตือนมาแล้วไม่ได้ข้อคิดจากการเจ็บไข้ดีป่วยพี่น้องเราก็มีอยู่คนนี้มาที่ว่าไปฆ่าเมียตัวเองตายอแล้วมีอยู่คนนึงเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้ว ที่น้องจอกเนี่ยผูกคอตายะมีคนทัทรศัพท์มาตำหนิผมชั้นสอนสอนสอนมายังไงอ่ะมันจะสอนให้รู้จัก Allah อัลลอฮ์เลยเห็นไหมพอคอคนตายผูกคอตายโต๊ะครูก็ถูกด่าแล้วก็ต้องสอนจันั้นเมื่อการฟิตเมื่อบาลามันมาอาดาบมันมาเนี่ยเราต้องได้ข้อคิดจากการที่อัลลอฮ์ส่งบลาลมาข้อที่ข้อที่หกคือน้องก r ับเงินทองขาดแคลน ข้อที่เจ็ดการเจ็บไข้ใดป่วยแต่และคนป่วยไม่เหมือนกันข้อที่แปดความตายเกิดขึ้นในครอบครัวได้ข้อคิดอะไรบ้างทันสมบัติเสียชีวิตไปมาฝังที่เราเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบ้างฉานั้นวันนี้ต้ตองรีบต่อบ้าตัวแล้วนะใครที่ทำอะไรผิดผิดผิ ด, ผ, ดผิดเอาไว้เนี่ยรีบต่อบ้าตัวเพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรเนะี่ยเรานึกว่าโรคมาเ็งอย่างเดียวที่หนัก ไม่ใช่โรคมะเร็งก็ตายได้อัลฮัมดุลิลแลฮ์บยโนนอายที่51อนะครับอายที่ห้าสิบสอง فإنك لا تسمع الموت و ل فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء إذا و ا ل ل مدبرين الحمد لله ขอพะคีรนี้ตองการจะเปรียบเทียบอัลลอฮบอกเปรียบเทียบนะบอกกับนบีนะพูดในเรื่องความตาย หรือคนตายคนตายเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรรู้เปล่าเปรียบเสมือนคนกาเฟชชมหรือดา <c oughs> นี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเล่าให้พวกเราฟังคนตายเนี่ยเปรียบเสมือนคนกาเฟชคนกาเฟชอธิบายยังไงคือคนที่ไม่รู้จักอัลลอ์คนที่ไม่รู้จักว่าตายแล้วต้องฟืน้นคนที่ไม่เชื่อว่ามีวันกีม่มา คนที่ไม่เชื่อว่าจะมีการม้อประรางวัลอันงดงามให้อยู่ในสวนสวรรค์เขาไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายสองครั้งเกิดเกิดเกิดเกิดสองครั้งนี่คนกาเฟสเนี่ยนะอารม์เปรียบเทียบเหมือนกับคนตายอา้าวดูกรุรานครับฟาอินนากะอินนากะฟาไปว่าเพราะฉะนั้นอินนกะท่าน แท้จริงท่านมุฮัมมัดเนี่ยนะลาตุสเมียไม่สามารถทำให้ได้ยินอัลมาตาคนตายอาลัลลอฮ์บอกกับ น, นบีเตือนนบีนะนบีมุฮัมมัดและคนอ่านคุรานีนะคุณไม่สามารถทำให้คนตายได้ยินเสียงของคุณได้เอาเสียงของนบีเสียงอะไรเสียงดาว่าใช่ไหมเสียงเชิญชวนใช่ไหม แล้วเราวันนี้ก็เหมือนกันเราก็ทำงานศาสนาเหมกันทุกคนนะนะทําคนละอยา่างสองอย่างไม่เหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่คนกาเฟตปฏิบัติอยู่วันนี้เนี่ยนะคนกาเฟเปรี่ยบเส ม, มือนคนตายนี่เราตอาอตอกาจะบอกคานาบีฟังแต่ว่าเมื่อเขาฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ได้ยินเนี่ยเลิกหรือไม่เลิกด่าว่านะเลิกไหมไม่เลิกทําต่อไป อ่ะเหมือนนบีบรอฮิมใช่ไมมันทำมาตลอดนบีนัวทํำไหมทํนานบีลูดทํำไหมทําเมียนบีลูเชื่อป่ะสอนอยังไงแล้วเมียไม่เชื่อนะอลัลลอฮ์ให้เห็นแล้วแต่หยุดสอนได้ไหมไม่ได้ไปทํางานได้ไป่ะไปออกไปทํางานไปอย่าหยุดใครเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องของของคนสอนมันเรื่องของอลัลลอฮ์ ท่านมีหน้าที่ต้องสอนก็อนสอนต่อไปอ ย, ย่าหยุดผลละบนในการสอนมีไหมมีอย่างนัดีนัวใชหมเมียไม่เชื่อนี่ถ้าเป็นพวกเราก็เออเองก็เลิกได้แล้วแต่ไปสอนทำไมศสาสนาขนาดเมียตัวเองยังไม่เชื่อเราบอกคุณพูดผิดนะใครจะเชื่อไม่เชื่อ เห็นหอยู่ที่อ ah ah ัลลอฮ์อินนากะลาตาฮดีมันอะบับตะคุณนบีเอ๋ยคุณไม่สามารถท่านไม่สามารถที่จะให้คนรักท่านคนรักใครนะสอนอิสลามที่จะไปหวังนะให้คนรักมารับอิสลามเนะี่ยทำไม่ได้นะท่านมีหน้าที่สอนอย่างเดียวส่วนอลัลลอฮ์จะเปิดหัวใจใครนะอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าทีนี้ อิฟอินกาลาตูสมีเอาเมาต่เพราะฉะนั้นท่านมุฮัมมัดเอ๋ยท่านนี่ยนะไม่สามารถทำให้คนตายได้ยินได้แล้วก็เวลาตูสมีเอาซุมมาและท่านนบีมุฮัมมัดไม่สามารถให้ทำทำให้คนหูหนวกซุมมาแปลว่าหูหนวกหูหนวกหูไม่ได้ยินเนี่ย มุฮัมมัดมั่นท่านไม่สามารถทําให้คนหูหนวกได้ยินได้พูดสองครั้งคนตายได้ยินได้ไม่สามารถทําให้คนหูหนวกได้ยินได้ตัวการยศต่อมาครับอัลโดะแบลว่าการเชิญชวนนการดาว่านี่ไงอัลโดะแปลว่าการเชิญชวน การเชิญชวนของคุณที่นบีสอ น, สอนไปสอนไปสอนไปคนหัวหนวกไม่ได้ยินคนกาเฟตไม่ได้ยินคนตายไม่ได้ยินแต่เลิกทำงานไหมไม่ได้เลิกไปทำต่อไปตอนนี้พอพูดถึงเรื่องคนคนหัหนวกอซุมมาอัลลออธิบายต่ออีกเมื่อวันเราหันกลับมุตบิรินหันหลังหันกลับ หันหลังกับ ห, หันกลับหันหลังกับหันกลับภาษาที้ภาษากุรานนะหันหลังให้กับ herself. หันหันอะไรหันกลับหลังให้หันหลังให้กลับหลังให้ยิ่งไม่ได้ยินอะไรเลยต้องการจะเตือนคนกาแฟที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้พวกเอ็งนะหันหลังให้กับอิสลามใช่หรือไม่ใช่หันหลังให้กุรานใช่หรือไม่ใช่หันหลังให้กุสูน่านบีใช่หรือไม่ใช่ยิ่งหันหลังให้กับ มูฮัมหมัดสุนนนาบีหันหลังให้กับอั uran, ลกุรอานหุลฮัลลัคกับอิสลามคนยิ่งหลงทางเปรียบเสมือนคนตายกับคนผูอะไรนะเป็นคนบ่ายเขาบอกแต่ตับซีนอธิบายบอกว่าคนบ่ายนี่นะเวลามันหันหลังให้นะี่นะอัสวะตะวันเลวสุดๆคนที่หันหลังให้กับให้กับนบีมูฮัมหมัด หันหลังก็ให้อฮะอัลอัลอิสลามหันหลังให้กับอัลกุรอานเนี่ยอัสวะเลวสุดๆเข้าใจไหครับมุธบรีนเรียกว่าหันหลังถ้าอยู่ตอนหน้าเนี่ยคนบ้ใช่ไยังทำมือภาษามือยังมีใช่ไหมอย่างี้อย่างี้อย่างี้อย่างี้นียังพอรู้บ้างว่าเออพูดอะไรตอนนี้หันหลังอ่ะแต่น้นอัลลอ์ต้องการจะเล่าว่าคนที่หันหลังน่ะเลวสุด ถ้ายังไม่หันหลังเน่ยนะยังยืนมองอยู่นะยังพอไปไหวนะเองโอกาสที่จะกลับตัวมีไหมมีแต่หันหลังเมื่อไหร่นะจบอัศวะแปลว่าสภาพที่เลวที่สุดต่ําที่สุดที่ต้องการจะสอนพวกเรานะอย่าหันหลังให้กับอัลกุรอานอย่าหันหลังให้กับอิสลามอย่าหันหลังให้กับอัลลอฮ์อย่าหันหลังให้กับคํ า, Allah, อาคสอนของนบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันเป็นเนียมัดอันยิ่งใหญ่เหลือเกินสอบชีวิตของเรา อ, อัอลลอฮฺเมตตารเรานะอลัลลอฮฺอธิบายในกุณอานละยดยิบยเลยพี่นออ้องอัลลอฮฺอักุรอฮฺวเราบอกคนหูหนวกเป็นยังไงคนหูนหนวกเนี่นะถ้ายังไม่หันหลังนี่ยังพอไหวนี่หันหลังอีกหูหนวกอีกหันหลังอีกในกองเครดมีคนบ้ายอยู่คนหนึ่งอะไปไหนไม่ค่อยมาตอนนี้เวลาจะใช้งานให้ทํานู้นทำนี่นะก็พูดไม่เป็นอะ ก็ต้องเอาคนที่รู้เรื่องกันนะะอัลลอฮฺอักบารแต่วก็นึกถึงกุณอ่านอายะนี้ทุงทีเลยหันหลังให้หุนวกด้วยหันหลังด้วยฟังสั่งสั่งสั่งอะไรได้ไหมไม่ได้ออกสั่งไม่ออกเลยนะฉะนั้นกุณอ่านกับมันกันมีกุณอ่านแล้วไม่อ่านมีอิสลามแล้วไม่เอามีอัลลอฮฺเลยไม่เอาคนหันหลังให้กับเป็นคนที่อัสวะเลวสุดๆเลยเราจะบินเลยเหมืนจะลืออายะสุดทย ว่ามาอันที่บิดาลูกมีเงินดั่งลูกที่มีทั้งที่ไม่ใช่ผู้ที่มีเงิน ว่มาอันตบิฮัดิลุมมิ عن ضلالتهم إن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا فهو مسلمون الحمد ل ل เ a า l a h พูดเรื่องคำที่ทบีมาสอนมาสอนมาสอนเนล่ยก็สอนอย่างงี้นะครับหมัดเอ๋ย และท่านมุฮัมมัดนี่นะมาอันตะมุฮัมมัดเนี่ยท่านไม่มีความสามารถบิฮาดิลอมีอมยุบแบบว่าตาบอดฮาดีแบบวะ่าชี้นาทางท่านไม่สามารถที่จะให้คนตาบอดนั้นชี้นาคนตาบอดได้ตงการอธิบายอย่างนี้คนตาบอดมาถึงคนกาเฟ หรือมุสลิมที่ไม่เอาศาสนามีไหมคนที่ไม่เอาศาสนานี่นะนบีบอลัลลอฮ์บอกกับ น, นบีนะคุณไม่สามารถที่จะชี้นำคนไม่เอาศาสนาคนตาบอด น, นี่ให้อยู่ในพนทางของเขาได้อัลลอฮ์ละติหิมจากจากอะไรนะจากความหลงผิดของพวกเขา มุนีมอัลกุบดไม่สามารถที่จะชี้นาคนตาบอดที่หลงจากทางที่ถูกต้องทําไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยนี่สอนนบีให้พึ่งขายพึ่งอัลลอฮ์ยิ่งทํางานศาสนาเนี่ยต้องพึ่งอัลลอฮ์เยอะมีอะไรบ้างที่ไหนพึ่งอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีครับแม้แต่นบีสวดนนะรองเท้าอะไรเชื่อกรองเท้าขาดยังต้องพึ่งชั้นนะ่ะ แล้วลูกเจ็บเนี่ยครึ่งพึ่งหมอเผิดหรือเปล่าอ่ะผิดยังแรงเลยแต่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษน่ะคิดบัญชีตอนตายอ่ะเมีไม่สบายคิดถึงหมอก่อนนอนไม่หลับคิดถึงยาก่อนถ้าไ ม, ไม่คิดถึงอัลลอฮ์ก่อนแรกนี่อัลลอฮ์เตือนเรื่องเล็กๆนี่ น, น่จะเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้หัวใจเราได้โยงกับอัลลอฮ์สุภา ห, าห์นะตุบาทะนี่ซอ บ, บ้านนาบีที่ว่าอ่านอ่านคุณอ่านเล่มเดียวนะ่ะเขา อ, อ่านเขาเข้าใจไนงะ ไอเราวนอ่านทุกเล่มในโลกนี้ที่ฝรั่งเขียนนะยกเว้นของอัลลอฮฺฉะนั้นวันนี้มาเรียนกูอ่านกันดีกว่านะเม่ใช้ปัญญาปัญญาจะคิดเองไม่ได้นะต้องเดินตามที่ซาบานบีที่นบีสอนเอาต่อมาครับอ <c oughs> ินตุสม่อานบีมุฮัมมัดอินบอกว่าไม่นะนะอินบอกว่าไม่นะนบีก็มุฮัมมัดไม่สามารถที่จะทำให้ได้ยินได้ อินยกเว้นใครรู้มที่จะได้ยินได้เนยมยุมินุสำหรับผู้ที่มีอีมานเท่านั้นคนที่มีอีมานต่อร AH, ้อนจะมีหัวใจมีอีมานต่อร้อแล้วไปคุยกับขขเขาเไม่กี่คำขาก็ใจแล้วอัลฮัมดุิลละยุมิน ผู้ที่มี إ ي م านครับว่า إ ي م านต้องศรัทธาหกข้อนะอิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อมัลลัยกาอิมานต่ ka, อรัชชูอิมานต่อคัมภีอิมานต่อวันสิ้นโลกอิมานต่อกฎกอดอกฎกอดัตของอัลลอฮ์คนที่มีอิมานอยู่ในใจอยู่แล้วเดียวครับพอนบีสอนปั๊บเข้าใจเลยอัลฮัมดุลิลลาบีอาญาตินะองค์การต่างๆของเราองค์การหมายถึงคุรานองค์การหมายถึงต้นไม้ที่ฝนตกลงมาต้นไม้งอกงามนั่นก็เป็นอาญาของอัลลอฮ์เหมือนกัน วันกิยามากก็เป็นอายาตชั้นฟ้าเป็นอายาธดวงอาทิตย์เป็นอายาตคิดได้หมดเลยมองตรงไหนก็สามารถเข้ามาอารรถได้หมดเลยอยู่อยู่ประมงก็คิดเข้าลาอารรได้ในตอนทอดแห้เนี่ยคิดถึงอรรได้หมดนะอยู่ในบ้านคนเดียวก็คิดถึงอรรถได้มองอะไรตรงไหนก็ทําให้เราคิดถึงอรรถได้ตลอดเวลาเลยเอาต่อมาจบ ฟาหุมมุสลิมุพวกเขาเป็นผู้เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมที่อีมานต่ออัลลอ์เท่านั้นที่ฟังการดาว่าเชิญชวนของนบีเข้าใจแต่คนที่หันหลังให้เข้าใจไหมอ่ะไม่เข้าใจฉะนั้นทำยังไงจะให้หัวใจเราเนี่ยนอบนอบ้น อ, บอมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์อัลลอ์ไม่บังคับนะเพราะไม่ บ, งบังคับอยู่แลได้อธิบาย ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาถ้าบังคับเลยตรงนี้คุณอ่านไหมตรงมี้นบีไม่ถ้าบังคับอ่ะไม่ต้องมีนบีส่งมานี่ไม่บังคับห้าให้ชายสมองให้ชายปัญญาให้มีหัวใจให้คิดมีสองกลุ่มกลุ่มเอากับไม่เอาคนที่ไม่เอ า, าศาสนาอิสลามเนี่ยนะมีอยู่ห้ากลุ่มนะมุคข้อละดูนฟินนาตกนรกตลอดการหนึ่งกาเฟ สองมุชริกสามมุตตัดคนตกศาสนาสี่อุลกิตาบห้าคนโมนาฟิกห้ากลุ่มนี้นะปฏิเสธอัลลอฮ์หมดเลยมุชริกเนะี่ยเอาอัลลอฮ์ด้วยจะเอาโต๊ะตะเกียด้วยนี่บาดตักมากเลยฉะนั้นอลัลลอฮ์เตือนนะคนที่จะฟังคำสอนของผ่านนาบีจะสอนได้นะ สำหรับคนที่มีอิมานต่อลอลเราจากพวกเราเนี่ยพอฟังอังคารอาลมสบายใจใช่ไมลนะ่ะอิมานมันก็เพิ่มคำว่ามุสลิมลอธิบายยัไงครับในตับซีดเอ่อม า, มาวัน ด, ดีอธิบายบอกว่ามุสลิมลแปลว่าคอเดอุนท่อมตน้นมุสตาจีบุญผู้ที่ยอมรับคำสั่งตอบรับคำเชิญชวนแบบไม่ต่อต้าน อันที่สามมุติอ่อนเชื่อฟังปฏิบัติตามเบตเสดอธิบายเพื่อเข้าใจง่ายๆคําว่ามุสลิมเนี่ยต้องมีสามอย่างนะหนึ่งเชื่อฟังปฏิบัติตามสองยอมรับไม่ไม่ต้านอันที่สามทอมตนเกี่ยวกับมุสลิมหลอกหลอนการทำกันมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ไปกินหมูอย่างเดียวนะหัวใจต้องดีด้วยนะหนึ่งหัวใจไม่ต่อต้านคําสานของนบีทุกคําสอนของนบีที่ผ่านนาบีมา ไม่ต่อต้านเลยแล้วก็ยอมรับแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนต่อคำสั่งของอัลลอ์สุบฮานาฮัวตาล้คำอธิบายพี่น้องคนตายเนี่ยไม่ได้ยินไม่ใช่บางทีอัลลอฮ์ก็ยกเว้นอ่าเช่นพี่น้องเดินผ่านคูบโบท่านอิบนาบ์ อ, บบอธิบายบอกว่าท่านนาบีสอนอยูแล้วนะ มาในอาฮัดินยามุรุบียกอบบริอาฮีิลมุสลิมใครที่เดินผ่านกุโบแล้วก็คนที่ถูกฝังอยู่ในกุโบนะรู้จักกับเราเราเดินไปเนี่ยเรามาจะเดินแบบแมวน่ะ Assalamu a อ a i ล u m ยาร์มิน a r min a l m น m i n i n wal muslimin wa ina insha a l ล a h u bikum l a h i k นัสอัลลอฮฺฮะลาอฺวเลาะกมุลอาฟิยะนบีสอนให้เราให้สลามกับคนชาวกูโบคนในกูโบที่นอนตายไปก่อนหน้าเราเขารู้จักเราเนี่ยพอเราให้สลามปั๊บอัลลอฮจะเอาดอาของเราเนี่ยไปให้ที่วิญญาณของเขาและวิญญาณก็จะตอบรับดดอาของเรานี่แสดงว่าคนตายเนี่ยยกเว้นมีอ่า ดูอาของเราที่เราเดินผ่านกูโบสามารถให้คนตายได้ยินได้ใครจะได้ยินอัลลอฮฺอั น, นีิ่งดุจโยบิดูอาอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างอื่น ต, ต้องตจำให้ได้นีย่ยกดูอาอย่างเดียวที่เราเดินผ่านอย่าไปคิดอย่างอื่นอ๋อนางเงนถ้าดูอาได้ยินก็จะทำอย่างอื่นได้สิอัานกุศอ่านให้ไดม้มันไม่ใช่แล้ว เขาจะพูดดุอ้าก็ดูอาอย่างเดียวเพราะนาบีพู ด, ดงดูอ้ก็ดู อ, าอ้ายงเดียวอย่าไปพูดอย่างอื่นพอพูดอย่างอื่นก็ตามมาคิดเองแหละก็คิดเองศาสนาเพียงแหละอย่างมาแล้วเอาต่อมาครับไซนาอัลีเยนาอาลีเป็นห่วงลูกแบบพวกเราเป็นห่วงลูกวันนี้นั่นแหละ ฮ, าาฮัสซันฮเซนสองคนเรียกลูกมนี่งมาฟังพ่อเนี่ลูกเอ้ยอ่านกุญย์อานเยอะ นี่สใครเนี่ยสั่งลูกตัวเองนะให้สนใจกุณอา่านให้อ่านกุณอา่านให้หาคน่จุกอา่านถ้าอ่านกุณอา่านเอาล้อให้สมอย่างหนึ่งอลัลลอฮ์ให้หัวใจมีรัศมีภาษาอุดุอา ด, ดินซินดาระเฮกา<笑><笑>ผมชอบภาษาอุนจูนะให้หัวใจของคุณมีรัศมีสองหัวใจของคุณมีชีวิตชีวารัศมีอย่างนี้นะชีวิตชีว่าอีกนะ สามให้หัวใจของคุณเข้มแข็งแข็งแรงโหแค่สามอย่างนี่นะพอใจอยังพอแล้วหนึ่งไดนาอาลีรหมาุลลอเป็น ล, ลูกเขยนบีมีลูกสองคนฮัสซันบูเซนแต่ดิฟติมาเนี่ยเป็นห่วงลูกมาลูกเอ้ยอ่านอุลายศึกษาอุลายหาของทุกคนอ่านให้เยอะๆอร่อลลจะให้สามรายการหนึ่งหัวใจซินด้ามาถึงมีชีวิตชีวา สอนหัวใจมีทัศมีอย่าลืมนะที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยไปชั่โงชัโมงเนี่ยเพราะหัวใจมีรัศมีมนะท่ า, ามมงแล้วแต่ ห, หัวใจสิไม่มีนะเผ็ไดไปหมดแล้วใจแล้วก็หัวใจที่อะไรนะหัวใจที่มี إ ي م านที่เข้มแข็งเข้มขน้ขนตลอดทําไมลุกขึ้นมารมทานอยุดได้เพราะหัวใจมีเข้มขน้นอะหัวใจมีรัศมี หัวใจที่กทบาซินด้ามีชีวิตชีวาแบบต้นไม้เน่ยแผ่นดินที่แห้งแล้งพอถูกน้ำฝนปั๊บเนี่ยโอ้โหจเจริญงองามเพราะเพราะแผ่นดินมันดีถูกน้ำฝนหัวใจที่ถ้าผูกพันกับการอ่านเนี่ยอัลลอฮฺอัลบาร์มัเลยดีหมดเลยฉะนั้นชาวบ้านมีอ่านอ่านสือกี่เล่มเล่มเดียวพวกเราเนี่อ่านทุกเล่มจ <c> ล <oughs> าเป็นโรคซึมเศร้าอีกเพราะอะไรเอ้าสุดท้าย เขาอานหนังสือภาษาอุรดูนะเขบอกว่าคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมุสลิมกาเฟสคิดไม่เหมือนกันมุสลิมเนี่ยจะอ่านกุรานแล้วสรุ้ว่าอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีแค่วันสามวันเท่านั้นเองโอ้โหนี่ตีมากเลยนะจะอยู่บนโลกดุนยานี้ยหสิบปีเจ็ดเจ็ดสิบปีคุ้นผ่านสามวันเท่านั้นหน วันที่ผ่านมาเมาาื่อาวานนี้เมื่อวานนี่ยทำทำทำอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นของไม่ดีต้องงายตาบ้าตัวนี่โุราณสั่งอ่านก็อ่าน อ, าอ่านไปอ่านไ ป, นไปจนรู้เอมามวานฉันเนี่ยขาดน้มานสุโบอลัลลอฮฺมียุนุปผมีบางคนโทรศัพท์มาหาผมนี่นะผมยังไม่ได้น้มานสุโบเลยอาจารย์ทไมอ่ะแปดโมงแล้วมียุนุป ว่ อ, อ้าวได้มาทำมาละตื่นมาเจ็ดโมงกว่าแปดโมงแล้วบออ่าอาบน้ำเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปทำมาเลยเอาอย่างนั้นลยบอกครับครับครับเพราะเขาไม่รู้อนะ่ะเห็นไหมของที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ถ้าทำอะไรดีอัลลฮฺมดุลิลลาห์ขอบคุณอลัลลอ์ถ้าทำอะไรไม่ดีทำไงเต้าบ้าตัวเสียใจในความผิดที่ทำมาเมื่อวานนี้ในวันวันที่หนึ่งนะผ่านไปนะวันนี้ ว่าอันตาฟรีวันนี้คุณอยู่คุณทําอะไรวางแผนให้ดีทีจะนมาจูฮุตที่มัสยิดกับจะมาอะพาลุงชายมาด้วยวางแผนจะอ่านกูรานจะศึกษาหฮ ادي ของท่านอบีุลเบาะหนึ่งฮ ادي วางแผนได้ดีจะไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้วางแผนของที่มีผลบุญรางวัลตอกเอาล็อ الله, ทําวันนี้เลยวางแผนได้ดีวันพรุ่งนี้ที่จะตามมา ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะใช่ั้ยก็ทำมาต้องเตรียมตัวให้มันพร้อมมาเผื่อตายจากนั้นวันมีอยู่สามวันนั่นแหละหนึ่งวันที่ผ่านมาสองวันนี้สามวัน t ุ m มอ r o วันวันพรุ่งนี้แค่นั้นเองนี่มุมินอัลลอสอนให้คิดอย่างนี้คิดแบบคนกาเฟ่ันายโอ้ยเจปีอยู่อีนานคิดผิด คิดใหม่นะเมื่อวานนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ทตัวอย่างไร ا ل ل ه ا ل